ใน้น้าไฟลมหารลงเป็นสองก็คือหารลงเป็นสามก็คือกายวา ย, จายใจใจหายลงเป็นสองก็หายลงเป็นสองก็คือกายกับใจหารลงเป็นหนึ่งก็คือใจขยายออกเป็นสี่ก็คือธาตุสี่ขยายออกเป็นห้าก็คือขันห้า ขยายออกเป็นหกก็คือตาหูจมูกเลี้นงกายใจขยายออกเป็นเจ็ดก็คือสัตวาวาจเจ็ด 7. หรืออริยสัพจเจ็ดขยายออกเป็นแปดก็คืออัจฉริยะกรรมะฆาแปดขยายออกเป็นเก้าก็คือมรรคสีพจนสีนิพพานหนึ่งขยายออกเป็นสิบก็คือกุศลกรรมบทสิบ ขยายออกเป็นที่เอ็ดก็คือเอกาทสัปฏิจัสมุปะบาทขยายออกเป็นสองก็วทวัตซ่ากาลังขยายออกเป็นสิบสามก็คือเตระสะทตุดงสิบสามลดลงมาเป็นหนึ่งเอกานิบาตคือใจ พระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจพุทธโธแปลว่ารูระบบาปบำเพ็ญบุญธรรมโอทรงไว้ซึ่งระบบาปบำเพ็ญบุญสังโคปฏิบัติเพื่อรับบาปบำเพ็ญบุญตกลงพุทธโธธรรมโอสังโคก็เป็นเชือกสามเกลียวเหนียวอยู่ที่ดวงใจ เอาแขวนไว้ที่ดวงใจเลยมันจึงไม่ลืมเอาไปไว้ที่อื่นมันลืมพุท ธ, ธสี่จำพวกสมาสัมพุท ธ, ธจมพวกหนึง่งปจเจขพุท ธ, ธจมพวกหนึง่งสาวกสาวิกาพุท ธ, ธจมพวกหนึง่งพุท ธ, ธอีก สาวโกโอพุทธโธเอกนี่พระโสดาวันเป็นสาวโกโอพุทธโธเอ ก, กเทศพระสักคาคามีพ็ละเอียดไปกว่านั้นพระอนาคามีก็เป็นสาวกละเอียดไปกว่านั้นพระ ชวดาวันสักกทาคามีพระอนาคามีก็ละเอียดไปกว่านั้นพระอหันก็เป็นสาวกบริบูรณ์แล้วจักิจในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาสอนโลก มาทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาไม่มีลัทธิใดๆจะเสมอเหมือนพระพุทธศาสนาเลยสอนมนุษย์สมบัติเต็มภูมิสอนสวรรค์สมบัติเต็มภูมิสอนพรหมสมบัติเต็มภูมิสอนนิพพานสมบัติเต็มภูมิไปโดยลำลับไม่ตัดรัดให้ขาดความ มนุษย์สมบัติคืออะไรบ้างมนุษย์สมบัติมีอุรม์มีอุรม์คติเป็นในหน้าวัตถุนิยมก็ดึงไปในตัวอุรม์คติคืออะไรบ้างไม่ใช่ได้รองละเมิดพระพุทธศาสนาไม่ใช่ด ถือศาสนาอื่นไม่ยอมถือศาสนาอื่นอัญเชิญทุเทศไม่ถือศาสนาอื่นจึงสมกับคําปฏิญาว่านัตทีสระดังอันยังสระดงอื่นของเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นสระอันประเสริฐตรบเท่าเข้าสู่พระา槃จึงสมฐานะที่ว่า ยังกินจิละตัณหโรเกวิชิติวิธีทางบุทธรละตัณหพุทธสมังนาติธสรมาสูตรที่ภาวนโดเตละลัตะนะอันใดในรอกนี้จะเสมอเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไม่มีเลยดิ่งลงอย่างนั้นตราบเท่าเข้าสู่พระนิาพานไม่ดังเลสงสัยเลยถ้าดังเลสงสัยมันก็เป็นว่าวเชือกขาด นั่นก็เป็นนุ่นปริวไปตามลมมันเป็นไม้ลอยราบอีกเสียด้วยเป็นวิชีคิษถาอีกเสียด้วยเป็นเสียระพัตรปรามาตโรคคลำในพระพุทธศาสนาด้วยเป็นสักกายะทิฐิความเห็นถือตนถือตัวในพระพุทธศาสนาด้วยไม่เสียดายอยากกระสงสัยพระพุทธศาสนาเลยนี่ภูมิของพปัจจุบันนั่นภูมิของพปัจจุบัน ไม่เสีดยดายจะถือศาสตาอื่นไม่เสีดยดายจะล่วงละเมิดสินห้าไม่เสียดายาจะล่วงอบายามุกภูมิของประโทดาวันไม่เสียดายอยากจะจองเวรท่านผูใน้ใดไม่เสียดายอยากจะถือเลิกดียามดีไม่เสียดายอยากจะกบเม็ดชั่วแต่ไม่ให้กระเทือนเขา ไม่เสีดายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดนั่นภูมิประัศดามันนั่นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของผู้เทศและผู้ฟังเคยได้ทําผิดเข้ามาแต่ชาติก่อนก็ให้แล้วกันไปซะหรือเขามาก่อใหม่ก็ให้แล้วกันไปซะข้าพเจ้าจะไม่จองเวรท่านผู้ใดเลยโกรธอยู่แต่ไม่ถึงกับจองเวรเหตุนั้นจึงปิด อภัยภูมิซะไม่มีในกิจใจของพระโสดาบันการค้าขายกวามีขอบเขตหนึ่งไม่ค้าขายเครื่องประหารสองไม่ค้าขายมนุษย์สามไม่ค้าขายสัตว์เป็นเลื้อนเนื้อสัตว์ที่ตัวข่าเพื่อเป็นอาหารสีไม่ค้าขายน้ำมอห่าไม่ค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้พระโสดาบันไม่เสียดายล่วงละเมิดเลย สิงไหไม่เสียดายร่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจเช่นเราไม่เสียดายอยากงลงลุยหลุมฐานเพลิงมันก็ไม่หนักใจไม่เสียดายอยากเอาน้าลายเทบ้วนทิ้งแล้วมาใส่ปากอีกมันก็ไม่หนักใจความดีคนดีทํำในง่ายความดีคนชั่วทํำในยากความชั่วคนชั่วทํำในง่ายคนชั่วคนดีทํำในยากตรงกันข้าม โมดคดมะแรงวันกินง่ายแต่มะแรงฟึ่งไม่ฝันเลยจะบวชลาดพรรษาก็ตามจะถือศีลเจนเจสักเพียงใดก็ตามจะทําท่าทําทางเคร่งสักเพียงใดก็ตามถ้าเฉียดได้ลงละเมิดศีลห้าถ้าเฉียดได้ลงละเมิดอวัยมุก ถ้าเสียดายอยากกระถือศาสตราอื่นถ้าเสียดายอยากกระจองเวรท่านผู้ใดถ้าเสียดายอยากจะคบมิตรชั่วถ้าเสียดายอยากจะค้าขายเครื่องปรหานค้าขายมนุษย์ดังที่ว่ามาแล้วนั้นมันก็ไม่ใช่พระโสดาบันพระโสดาบันกับสุพเจปโนก็มีความหมายอันเดียวกันกับพรห ม, มจันทร์เบื้องต้นก็มีความหมายอันเดียวกัน นอกปฏิบัติพระพุทธศาสนาะก็เพื่อจะให้ผ่านพระสวัสดิบัล น, นั่นเองถ้ายังไม่ผ่านพระเถิงถึงพระสวัสดิบาลแล้วเราก็เป็นพุทธชนคนหนาอยู่เป็นดอกบัวอยู่ใต้น้ําถ้าถึงพระสวดาบาลแล้วก็เป็นดอกบัวจะบานไปข้างหน้าจะถึงพระนยพานถ้าเปิดประตูพระเนยพานแล้วไม่ถอยหลังไม่สงสัยว่าจะแวะซ้ายแวะขวาเลยเดินรุดหน้าเลย ไปถึงฝั่งคือพระเนพานอรหัตตะมักอรหัตผลลัทธิใดๆก็ตามศาสนะใดๆก็าตา ม, าาาตามถ้าเสียด้ยร่รวงละเวิดศีลห้าอยู่ถ้าเสียด้ยร่รวงละเวิดอบายยมุกอยู่มันก็ไม่ใช่พระโสดาวันมันก็เป็นพระโสดันโสดาโสดขาดคณี ทิงเหล่านี้เป็นหน้าที่ชาวพุทธจะขบให้แตกทั้งนั้นนีฉะนั้นแล้วก็เฝ้าพระพุทธศาสนายัางบารมีอ่อนผู้บารมีแก่กล้ามาแล้วก็นับเอาเป็นเกณฑ์แต่ทุกขจัพโนเป็นต้นไปพระพุทธศาสนาเป็นโลกีหรือโลกุตระพระพุทธศาสนาเป็นโลกุตระ ไม่ใช่โลกีทำไมจึงเอาโลกีมาปนไปกันเพราะเอาลูกเขยกับพ่อตาไปนั่งเตียงเดียวกันอธิแทพระพุทธศาสนาเป็นโลกุตระเพราะยืนยันเอาแต่สุภจรปโนโอุุชยยะสามีจิตมีเนื้อสาวของพระภุมิภาคเก้านับทั้งาราวาส ด, ด้วย จะดูเดินเดินนั่งนอนเดินจงกรมจนเท่าแตก่ก็ตามจะอดอาหารจนขนหล่กก็ตามจน ส, สูบสีบชัดไปเสมาก็ตามจะถือศีลกินเจสักเพียงใดก็ตามถ้าเชื้อได้ถือศาสนาอื่นมาปนเปกับศาสนาพุทธสุ่มสี่สุ่มห้า ถ้าสงสัยว่าจะล่วงละเมิดสินทาเสียดายอยู่มึงเถอะถ้ากูไม่คารักษาสินกูจะตีมึงให้ตายว่าอย่านั้นว่าให้ยุ่งมันก็ไม่ถูกอันนัมันไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดเลยทําไมจะม่เสียดายอย่างละเมพราะเห็นว่ามันเป็นเวรเป็นไทยจริงจริงเหตุฉะนั้นจึงว่าเวรมันีเวรนั่มนีเวรมนีเว้ น, เวนแล้วเวรอันนี้ ชิคขาประทางสมาธิามิเป็นชิคขาบทหนึ่งหนึ่งอยู่ที่ดวงใจปานาธิบตัตอธินาคาเมมุสาสุราถ้าไม่ล่วงละเมิดก็เป็นเชือกข้ากลียวเหนี่ยวอยู่ที่ดวงใจอ น, นั่นคือพุทมจรั์เบื้องต้นของพระพุทธศาสนาพรทมจรัณเบื้องปลายของพระพุทธศาสนาก็คืออรหัตตมอรหัตผล มีผู้ทาศาสานาให้เสื่อมได้หรือไม่มีปัญหาสอดเข้ามาว่ามีปัญหาถามเข้าไปอีกว่ามีผู้ว่านำลายถึงฟ้าได้หรือไม่ถ้ามีผู้ผว่นำลายถึงฟ้าได้ก็มีผู้ทาศาสานาให้เสื่อมได้มดหมู่ของพวกเราเรายืนเป็นทิวแถวกันในแผ่นดินเต็มยัดเยียดเลย ว่วนน้ำลายขึ้นฟ้ายับตัวว่ารอย่างนั้นก็บ้วนขึ้นเลยก็หน้าของใครของมันก็ตกลงใช่ไหมตกลงใส่หน้ามีผู้กําฝุนโตลมได้หรือไม่ลมพัดมาตึงๆตึงๆตึงๆก็มีผู้กําฝุนโต้ลมไม่ได้มีผู้คว่างปลาคว่าใส่ต้นเสาได้ไหมคว่างไกลมันไม่ถึงคว่างใกล้นักวยเอกก็หลบไม่ทันใช่ไหมนั่น ไม่มีไม่มีใครจะทำลายพระพุทธศาสนาได้เลยพระพุทธศาสนาก็เป็นพุทธศาสนาอยู่อย่างนั้นจะมีผู้ปฏิบัติหรือไม่มีผู้ปฏิบัติก็ตามอ น, นุญาตชัดสี่ทุกส ม, มุทัยนิโรธมรรคก็มีประจำโรคประจำทำอยู่ทุกยุค ท, ทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วย เหตุนั้นพระบรมศาสนาจึงยืนยันว่าถ้าทำทั้งหลายไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทำได้เหตุนั้นเราจึงเขารพธรรมเป็นเพียงเรามาจำแนกแก่กายออกอันนี้เป็นทานอันนี้เป็นศีลอันนี้เป็นภาวนาอันนี้ เป็นนิพพิทาเวราคะวิมุตติสุทธิในพาลมาแยกออกเฉยเฉยไอ้ที่แท้ทำทั้งหลายเหล่านั้นมีอยู่ก่อนเลยพระพุทธเจ้าจะมากี่ราตนพระองค์ก็มาตัดสรู้อันเดียวกันไม่เลยรบรางพอรอบบกันเลย และพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็มายืนยันว่าทําเป็นโกกรกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายตาบามความกลัวตาบามเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าไม่มียาอายตาบามไม่มีความกลัวตาบามแล้วกฎหมายกดหมูกดอนพักก้อวกก็ตั้งมาอยู่อู๋ของทํามไม่นาคำหนึ่งก็เหมือนที่พึ่งพิงอิงอาศัยชาวไตรโรกายาประมาทพระพุทธศาสนาเืิญ ใคร เ, เป็นผู้บรรจับบาปบุญคุณโทษถูกก็พระสมานพระพุทธเจ้าจําพวกเดียวเท่านั้นเหลือนอกนั้นอย่าเอามาเอ่ยเลยเหตุนั้นพระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยโกรธจะมาในข้างหน้าก็ามากกว่าร้อยโกรธล่วงไปแล้วกว็ามากกว่าร้อยโกรธและอสงไขยอสงไขยพระพุทธเจ้าอีกด้วยมากกว่าเมธีมเมธายนยท่ามหาสมุทรสีมหาสมุทรอีกด้วย แต่พระพุทธเจ้าส่วนสาวกสาวิกาเล่าจะมากขนาดไหนถึงอย่างนั้นก็มีเพียงเขาโคส่วนขนโคก็ทิ้งไว้ในโลกเป็นระยะระยะระยะระยะสัตว์ในไตรโลกธาตจะมาเริ่มใสพระพุทธศาสนาหมดเสียก่อนจึงจะสามารถถึงพระสวสดาบรรได้ ทำไมเขาจึงไม่มาเพราะกรรมและผลของกรรมยังอ่อนอยู่บารมียังอ่อนก็จำเป็นจำไปอยู่นั่นเองผู้ที่เลื่อมใสว่าพุทธศาสนาบารมีแก่กล้ามาแล้วไม่เป็นถาดันโดน ของคนตาฟางจะไปสนเข้มได้ชอแเดให้เห็นว่าผู้เลื่มใสพระพุทธศาสนาะเป็นผู้บารมีแก่ก้ามาแล้วสร้างมาหลายชาตาิชาติหลายภพแล้วพวกที่ยังไม่เริ่มใสกับพระบารมีท่านเหล่านั้นยังอ่อนอยู่จะปฏิก็ไม่ได้จะปฏิเตียนก็ไม่ได้ติเตียนก็ไม่ได้พระบารมียังอ่อน ก็จําเป็นจาไปอยู่นั่นเองกรรมนาวัตถีโลโกโอชาโลกเป็นไปตามกรรมเอา้าดอกบวัวสีเหลามีอยู่แต่ข้างพุทธการดอกหรือทุกวันนี้ก็มีอยู่ดอกใต้น้าก็ใต้น้าเต็มภูมิดอกสเสมอหน้ําก็สเสมอหน้ําเต็มภูมิดอกพ้นน้ําก็พ้นน้ําเป็นระยะระยะระยะไปจนถึงกับบานมีอยู่ทุกการทุกเวลาด้วยดอกใต้น้ําคืออะไร ผู้ที่ยังไม่เลือบใส่วพุทุศาสตร์ศาสนาและยังถือว่าไม่มีบุญไม่บาปอีกด้วยดอกเสมอน้ำค้ายๆกับผู้ถือพัตถุศาสตร์ศาสนาแล้วก็ผีก็ถืออะไรก็ถือประพลกันส่วนดอกเป็นตูมแล้วท้นจากน้ำประมา ห้าเซนมรสี่เซนสามเซนก็คือพระสวัดาวันพนไปกว่านั้นก็สักขาคาร์มีพ้นไปกว่านั้นก็อราณนาคาร์มีพ้นไปกว่านั้นจนบานจนเหี่ยวไปแล้วก็คือพระอาหารหันต์ดอกบัวแต่ละกอละกอ ก, ก็มีทั้งดอกตูมดอกบานใช่หรือไม่คนในโลกก็เหมือนกันดอกดอกบัวแต่ละก อ, ะ ก, อ ก, ก็เปรียบเหมือนคนในโลก แต่ล ะ, ะดอกก็เปรียบเหมือนคนในประเทศมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยบางท่านบอกว่ามีพระสวสดาบาลไหมทุกวันเนี่ยมีสักขาคามีไหมมีพระอนาคามีไหมมีพระอรหันต์ไหมถ้าเราอยากเห็นพระสวสดาบันเราก็เป็นพระสวสดาบันเสียก่อน ถ้าเราอยากเข็นสักขาคามีเราก็เป็นสักขาคามีเสียกรเราอยากเห็นอนาคามีหรืออรหันต์ก็เหมือนกันเราก็ต้องเป็นเสียกรเราอยากจะรู้เกลือว่าเค็มหรือไม่เข็มเราก็จิบดูเสียกรเราจะไปถามคนอื่นบอกวันยังค่าเราก็ไม่สิ้นความสงสัยสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธ จะพิจารณาทั้งนั้นยอดคืนมาอีกเลยนี่เอา้าถ้าท้าชาวโลกมีความละอายตบับมีความกลัวต่อบับไม่ล่วงละเมิดสินหน้าถ้าไม่ล่วงละเมิดสินหน้าชาวโลกสงครามก็ไม่มีทหารก็ไม่มีตำรวจก็ไม่มีโซ่ตรูนก็ไม่มีกุนแกก็ไม่ต้องมี เรือนจำมก็ไม่ต้องมีเวียนยามก็ไม่ต้องมีนอนก็ไม่สะดว้งผวาพราะไม่ไมีเวีอยู่รอบข้านั่น น, นัเพียงเท่านั้นแ่ะสันติภาพจะไปหาสันติภาพที่ไหนไม่มีเลยในโลกอันนี้พระบรมศ า, าสดาสอนสันติภาพไว้แล้วไม่ใช่เอมที่บกเอมสามสิบสองเป็นสันติภาพอันนั่นสันติเวีไทยอนะันนั้น เวรสนองเวรภัยเยนสนองภัยอะไรอยู่ทุกยอมยา้ากเอาที่ล่วงละเมิดกันอยู่ทุกวันนี่ล่วงละเมิดออกจากไหนที่ข่าวหนังสือพิมพ์ลงมาก็ล่วงละเมิดออกจากปานาทิบาทอธินนากาเมมุสาสุราทาั้งนั้นใช่หรือไม่ละ่ะคงขืนมาจากไหนก็มาจากกามเมีสุวิชชาจารย์ใช่ไหมโรคเอดมาจากไหนก็มาจากกามเมีสุวิชชาจารย์ ถี่มะม่วงน้องในก็มาจากนั้นใช่ไหมฆ่ากันตายอยู่ตามต่อค้อยรารอนมาจากไหนก็มาจากปานาทิบาตใช่ไหมชิกขาบดแต่ละข้อละข้อถ้าร่วงละเมิดมันก็มาร่วงละเมิดจนถึงปานาทิบาตมารวมข้อนี้เองเอา้ามันลักเกินไป ขโมยเกินไปกี้พ้นเกินไปฆ่าซะอมามารวมข้อต้นโกรธมากแค้ามากจองเวรจองภัยกันก็มารวมข้อฆ่าอธินาทานรักเกินไปกี้พ้นเกินไปรักไทยรักถอนเวียงราวเวียงไทยเวียงแจ๊กเวียงกีนสรารพัดรวมลงสุดท้ายก็มาฆ่ากันอกีกกาเมศวิชาชาจารย์ก็เหมือนกันรวมลงมาก็มาฆ่ามาแกงกันถ้าร่วงละเมิดข้อหนึ่งมันก็ร่วงได้หมดทุกๆกข้อ นั่นนั่น น, น่มันก็วนเวียนกันอยู่ในโลกอันนี้ถ้าโลกมีเ้นทาเราสงบมากมเหตุนั้นจึงไม่ควรประมาทพระพุทธศาสนาเ <c oughs> สียนตับศสีนลงที่ทใจสมาธิตั้งมั่นลงในทิใจปัญญารอบรู้ในที่ใจก็มีความหมายอันเดียวกันที่นี้มุสาวาตพูดเทธก็เหมือนกันก็หกพกรลมต้อมตุนสารพัด ผลชุดท่ายก็มารวมข้อค่าเหมือนกันนั่นดื่มชูราไม่อะไรทีนี้ผลชุดท้ายก็มารวมข้อค่าอย่างเหมือนกันทเลาะกันอวดดีอยู่ยงคงอรพันชารพัดเลาะกันก็มารวมข้อค่า เมื่อพูดไปเท่าใดก็ยิ่งเห็นคุณพระบรมศาสตรายิ่งเห็นคุณพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอัปมาโนพุทธโธคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีประมาณอัปมาโนธรรมโมคุณของพระธรร ม, ม, รมไม่มีประมาณอัปมาโนสังโคคุณของพริยาสงฆ์ไม่มีประมาณทุกมีปัญญาน่อยก็เห็นหนอยมีปัญญามากก็เห็นมาก แล้วนั่งอยู่นี่ก็นั่งคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่หรือไม่เขาเห็นแก่หน้าค่าซื้อเขาก็มาทําให้ไม่ใช่บุญวัฒาสนาของพวกเราบุญวัฒาสนาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไฟมือนี่ก็เหมือนกันเขาเห็นแก่หน้าค่าซื้อ พ, อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาก็มาทําให้ไม่ใช่สมบัติของพวกเราเราเสยร์ฟทอดอยู่ทุกวันนี่ สืบทอดสมบัติของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระท่านทั้งหลายเหล่านั้นเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วไม่มาเป็นคู่แย่งกับพวกเรามีแต่พวกเราผู้มีกิเลสมากก็ถือเอามากผู้มีกิเลสน้อยก็แย่งเอาน้อยผู้ไม่มีอะไรก็ไม่แย่งทรพย์ใดใดโรกทาตเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาหมดถ้าไม่เชื่อก็อ่านดูใน เราทาเป็นของกลางของหลวงปู่นั่นเถิดหลวงปู่อธิบายไว้ละเอียดละออแล้วเป็นเป็นกันเทศอันละเอียดละออแล้วนี่าทาเบื้องต้นบุญพระสวัสดบิบานบาลหน้าไปสู่พระนิพพานบาปของพระสวัสดิบาลก็บานหน้าก็ไม่บานหน้านับวันจะไล่หล่อไปไปถึงพระอนาคามีก็จะหมดกันละ นั่นเอ้าด้านภาวนาทีนี่ด้านศีลมาแล้วใครจะต้องการอะไรก็ภาวนาอันนั้นภาวนาไปว่าทำให้เกิดทัามีบุญในทางพุทธศาสนาก็มีอยู่สิบประเภทว่าอย่างพิจารณาถ้านทำไมเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ วัตถุที่ทำบุญกิยาที่ทำบุญมีอยู่สิบอย่างหนึ่งทานนามายัยบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานสองศีลนามัยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลสามภาวนาใหมา่บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาสีอภจายะนามัยบุญสำเร็จด้วยการมาพุตธทอมตจนแก่ผู้ใหญ่นี่ก็เป็นบุญของง ห้าวิ ย, ยาวัจไมายบุญเฉลี่ยด้วยการช่วยข้นขวยในจิตที่ชอบจิตธุระที่ชอบไม่เบียดเบียนตัวและผู้อื่นก็เป็นบุญกองหนึ่งปฏิธานาไม่บุญใช่เวยด้วยการให้ส่วนบุญถ้าบุญแล้วอุทิศหาผู้ร่วมรับไปอันนี้ก็เป็นบุญอันหนึง่งปัตตานโมธนาไม่บุญเฉลี่ยด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญอนุโมทนาด้วยน้าใสใจจริงก็เป็นบุญได้ยิน เห็นท่านทําบุญแล้วไม่มีอา m i t แล้วก็อนโมธนาด้วยในจิตในใจก็เป็นปัตตาโนธนาไม่เหมือนกันมีอามิ t h หรืออะไรเป็นเครื่องพยานสมทบด้วยก็ได้มีแต่จิตแต่ใจก็ได้แล้ว่าปัตตาโนธนาไม่บุญเทวดาด้วยการอนุโมธนาสมบูรณ์ธรรมมัจฉวนาไม่บุญเทวดาด้วยการฟังธรรมคือเราฟังอยู่เดียวนี้เป็นบุญกองหนึ่งธรรมเทศนาไม่บุญเทวดด้วยการแสดงธรรม คือแสดงธรรมอยู่อดีางนี้เองสัพตานางธรรมะธนาีนาติให้อะไรเป็นทานก็ไม่เท่าให้ทำเป็นทานให้ทำเป็นทานชนะทานทานัทน้งปวงเช่นเราบอกลูกบอกหลานทำอย่างนั้นอย่างนี้มันมันไม่เป็นประโยชน์ทำอย่างนี้มันจึงเป็นประโยชน์เดียนี่เราบอกเป็นธรรมสอนเป็นธรรมเช่นสอนแห่ละชั่วทำดีเป็นต้ น, น, น, น, น, นก็เป็นธรรมเทสนายมุชเวิดรักการแสดงธรรม พิจุชุกกรรมการทําความเห็นให้ตรงทําเห็นทําความเห็นว่าบาปมีบุญมีมรรคผลนผิพพานมีเท่านี้ก็เป็นบุญแล้วทําความเห็นให้ตรงเรียกว่าสมาทิิเห็นชอบว่าบาปมีบุญมีมรรคผลนผิพพานมีก็เรียกว่าสมาธิิเบื้องต้นเหมือนกันผู้เชื่อาบาปมีบุญมีมันก็จะยังเขา้าถึงพระสวัสดิบาลแล้วอยู่ในหัวหัวเรีย่ยวหัวตอกัน ถือถือพุทธจาสนาอารมณ์ของเขาก็ไปทางบุญอยู่มัคคารมนาธรรมะมัคคารลมมัคไปในทางบุญมัคคาเหตุกาธรรมะเป็นเหตุให้ไปทางบุญมัคคาทิปฏิโนธรรมะก็ปฏิบัติกันอยู่ในตัวเอ้าด้านภาวนาต่อไปอีกเลยอันนี้ก็ด้านภาวนาเหมือนกัน พระพุท ธ, ธานุสติและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มีในพระองค์และรงกรบคุณกับผูอื่นสองไม่ตาแผลไม่ตีกิิทิ่จะให้สัตว์ทั้งพวงเป็นสุขั่วหน้าสามอสุภะพิจารณาร่างกายตัวนผู้อื่นให้เห็นเป็นไปงามสี่มาณานสติระ ล, ลึกถึงความตายอันจะมาถึงตนกรรมฐานสี่อย่างนี้ควรเจริญเป็นนิพนพระบรมศาสดาสอนไว้หมดที่ไหนพระบรมศาสีราไม่สอนไม่มีเลย สัตว์ท้งสัพยัญชนะงเกวระปฏรีพุนังปารีสุทธังพรเมชัญยประกาเสศบิบัิบูรุณทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะสิ้นเชิงแล้วตามหางพระกัาลังปรุริยามีตามหงางพระกบาลังสิเรสาณา ม, ามิจิจึงยอมกราบไหว้ตามหางทำมังสังขารความบรรกันไม่ได้กราบไหว้แบบโง่ๆนั่งนานแล้วก็เหนื่อยใช่ไหมเพริกไปพริกมานะเพลิกไปเพล็กมาเลยเพราะมานนั่งนาน ความเก็บเกิดขึ้นจากพัดเปลี่ยนเอริยาบทไม่เสมอพระบรมาศาสตรความเก็บเกิดขึ้นจากไม่บากของคำความเก็บเกิดขึ้นจากเปลี่ยนเอริยาบทไม่เสม อ, อมชีคัตฉาปิปาษาหิวข้าวระหายน้ำก็เรียกว่าความเจ็บเหมือนกันก็เรียกว่าทุกข์ปัตตะวุจโรปัตตะวหุติ ปวดอุจจาระปัสสาวะก็ถึงว่เป็นทุกข์เสียตังถูกอันเย็นก็เป็นทุกข์เกินเย็นเกินไปอุ้นถังถูกทุกข์ถังเกิดถูกอันร้อนเกินไปก็เป็นทุกข์ชิคศชาปิปาษศหิ้วข้าวละหายน้ำก็เป็นทุกข์สับปทุกข์ทั้งพวงในโลกมองไปข้างไหนก็มีแต่ทุกข์สับปทุกข์ เหตุนั้นพระ้รมาศาสตาจึงทรงสรรเสริญ่ทุกขังอริยสัจจ์ปณิยยันติเมพิกาเวหรืออุปาสกวาวปาตะการะท่านทั้งหลายจงพิจารณาให้ชี้ยิ่งเนอ้อปฏิญตาตันติเมเราพริจารณาให้ยิ่งแล้วพระหาตปัติเมท่านทั้งหลายจงอย่ายินดีจงถอนความยินดีซะชติกาตะปันติเมจงทําให้แจ้ง สัจจกะตันติเมเราทำมห้แจ้งแล้วพรบรมชาติดาร ขันทะพอใจรักใคร่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพียรมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้กิตต์เอาใจฝักใยในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันติกตรองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณทีอย่างนี้เมบาริบุบแล้วอาจชักนำบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่เหลือวิสัย ศีลตัดศีลลงในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ตกลงศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ที่แห่งเดียวกันไม่ได้อยู่คนละมุมโลกอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ขณะจิตใจที่เราตั้งไว้อนั้นเองพูดมากปากหลายก็เป็นโวหารโวหารก็วห o r s ก็อันเนี่ยหารก็หารลงมาหาใจ เห็นทุกขนะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วคือโลกจะไปด้วยกองทุกเห็นอนิจจังขณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกจะมาด้วยอนิจจังลมหายใจเข้าออกครั้งหนึ่งก็ครบพระไต่ตไปดกด้วยเว้นไว้จะไม่ต้องการเพราะเราบัญญัติว่าต้นลมก็กลายมาเป็นกลางลมก็กลายมาเป็นท่ายกนั่นคือตัวอนิจจังทุกขังอนัตตา ทำไฟเกิดไฟดับก็เกิดก็ดับหาระหว่างไม่ได้ทำไฟไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับผาระหว่างไม่ได้จงรู้ตามเป็จริงปฏิบัติตามเปนจริงรุดพ้นตามเปนจริงเสียเถิดพระบรมศาลาทําไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีตาหูจมูกลิ้นกายใจพระชอบเลง็งเล่ดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นริมรถถูกต้องพุทธะด้วยกายรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ ทำชั้นสูงยังมีอีกผู้ต้องการพ้นทุกข์ในวัทจังสารจเจริญทำชั้นสูงพระบรารมีแก่กล้ามาแล้วเมื่อเจริญทำชั้นสูงสีนก็สูงขึ้นไปสมาธิก็สูงขึ้นไปปัญญาก็สูงขึ้นไปอยู่ในตัวทำชั้นสูงที่สุดทําแต่ละวัดระบาดรจงต่อพระิพ涅นหมด นโมพระโสดาบันนโมสักขะทาคามีนโมพระอนาคามีนโมพระานนนโมพระโสดาบันไม่หลงทางเบื้องต้นนอบนอมจนไม่ใช่ได <them> ้ล่วงละเมิดสินห้าไม่ใช่ได้ล่วงละเมิดอบายมุกดังที่ว่ามาแล้วนั้นนโมพระอนาคามีพระสักขะทาคามีก็ละเอียดไปกว่านั้นนอบนอมนโมพระอนาคามีก็ละเอียดไปกว่านั้นนโมพระอนาคามีนอบน้อมจนไม่เช่ได้มีโลคมีโกรธแต่ว่าหลงมีอยู่นิดหน่อย นโมพระอรหันเรียนนโมจบแล้วไม่เสียดายอยากมาโลภมาโกรธมาหลงอีกเลยนอบนอบ้อมจนไม่เสียดายมาโลภมาโกรธมาหลงอีกนอบนอบ้อมจนไม่มาเกิดแก่เจกบตายอกีกนั่นพระอรหันต์เรียนนโมจบแต่นโมพุทธินคนหา ที่ต่ำกว่าพระสุราราลงมาก็หนา้าโมเลขน้โมผานา้โมบัตน้โมเบอร์น้โมอยู่ยงคงกรันหน้โมเล็กดีอย่างที่มีปัสาละพัดนั่นสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะพิจนารณาทั้งนั้นถ้าอย่างนั้นก็จะเจอแต่ของปลอมเพราะมันปลอมอยู่ที่จิตใจของเราไม่เนี่ยปลอมอยู่ที่อื่นใช่ไหม พระพุทธศาสนาชะนะก็ชะนะใจของตนเองชะนะกิเลสของตนเองชะนะทางอื่นไม่ ด, า ด, ด่าเดืนท้มเถไม่ได้เอามาพ่นไปเล่าเลยในทางพุทธศาสนาชะนะก็ชะนะกิเลสของตนแพ้ก็แพ้กิเลสของตนไปเป็นลําดับชะนะก็ชะนะกิเลสของตนไปเป็นลําดับชะนะและแพ้ทางอื่นไม่มีเลยเอ้าวใครเป็นผู้พูด กายสังขารวิกีสังขารจิตตะสังขารพูดอยู่นี้พูดแล้วก็เกิดดับไปเป็นคำคๆคำคำคำคำคำคำนึกขึ้นแล้วก็ล่วงไปพูดออกมาแล้วก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปคืออันนี้จังอันละเอียดนะใครเป็นผู้พูดก็สังขารจะกองทุกพระนิพพานไม่ได้มาพูดด้วยเหตุนั้นพระบรมศสาสราจึงยืนยันว่า เรารู้สมมติตามเปนจริงของสมมติเรารู้วมมุตตามเป็จริงของไม่มุดแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองทำชัดนสูงถ้าเราติดอยู่เงื่อนใดเงื่อนหนึ่งก็เรียกว่าเราไม่รู้สมมติและิมุตุดเรารู้พระนิพพานตามเปจริงของพระนิพพานเรารู้สังขารตามเป็นจริงของสังขารแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสอง ถ้าเราติดอยู่ในพระา槃ก็เรียกว่าเราไม่รู้พระา槃ถ้าเราติดอยู่ในสังขารก็เรียกว่าเราไม่รู้สังขารเห็นนั้นเราจึงไม่ติดอยู่ในที่ใดเลยเป็นแต่สักวรูปเป็นแต่สักวเห็นก็พอแล้วใจเป็นแต่สักว่าใจตาเป็นแต่สักวตาหูเป็นแต่สักว่าหูจมูกเป็นแต่สักว่าจมูกลิ้นเป็นแต่สักว่ลิ้นกายเป็นแต่สักวกายใจเป็นแต่สักว่าใจรูปเสียงกลิ่นรสผัวทพะธรรมารม์ก็เหมือนกันเราไม่ติดอยู่ในที่ใดตาหูจมูกลิ้นกายใจ เป็นฝั่งในเป็นอัชฉัิตาธรรมธรรมภายในรูปเสียงเกียรตรสผลพระธรรมมาลงเป็นพระเฮตตาธรรมธรรมภายนอกในระหว่างกลางคือหน้ามหาสมุทรทะเลตาหัวจมูกเลี้ยกายใจเป็นฝั่งใน รูปเสียงกิ่นรถผลสะพะธรรมรมเป็นฝั่งนอกในระหว่างกลางนั่นก็คือโรคโกรธหลงในระหว่างกลางมหาสมุทรทะเลกลางหัวใจของล่นรูปเสียงกิ่นรถผลสะพะธรรมรมเรียกว่าทำภายนอกเรียกว่าพังฮิตธาทำทำภายนอกแต่ก็เกิดดับเป็นเหมือนกันเกิดขึ้นแล้กวก็แปรปว น, นแต่สลายไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้เลยเอ้า ใครเป็นผู้หาความสุขในโลกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นเลยก็พระรามจำพวกเดียวหาความสุขในโลกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นเหตุนั้นจึงเบื่อหน่ายความหลงของตนไปซะเบื่อหน่ายตาหูจบูกเลี้ยงกายใจพูดเป็นบุคลาทิฏฐาน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 รถไม่ใช่ตัวตนโพธิพะมากระทบกายไม่ใช่ตัวตนธรรมารมไม่ใช่ตัวตนพระบรมศาสล า, าสอนธรรมชั้นสูงและเสียงชั้นสูงก็เคลื่อนไปขึ้นไปด้วยสมาธิชั้นสูงก็เคลื่อนขึ้นไปด้วยเมื่อธรรมชั้นสูงเสียงก็สูสงสมาธิก็สูงก็ขึ้นไปเป็นลําดับอเสียงสมาธิปัญญาแยกกันไม่ได้กลมกลืนกันอยู่เหกันหนังกับเนื้อกับกระดูก ปัญญาเป็นนายหน้าของธรรมทุกหมวดผู้จะรักษาสี้นห้าก็มีปัญญาเป็นหัวหน้าผู้จะถึงพระโชดานก็มีปัญญาเป็นหัวหน้าถึงกิตติคตาคามีอานาคามีอาหารหันต์ก็เหมือนกันปัญญาต้องเป็นหัวหน้าของธรรมทุกหมวดปัญญาสูงศี้นสมาธิปัญญาก็สูงอท่านพูกแก่กล้ามาแล้ว ใตชาติก่อนชไหประกาบทูลพระบรมศาสดาขอพระบรมศาสดาจงเทศให้ก้าฟังด้วยเออก้าเดี๋ยวนี้กำลังเวินทาบาดไม่ควรแต่อิทแท้พระบรมศาสดารู้จักแล้วโยมคนนั้นพอแพรบเห็นก็บอกว่าเขาจะสำเร็จพระนันในคณะเดี๋ยวนี้แต่กรพาไปก็เลยเช้เฉย บางทีพระบรมศาสีราสิ้นลมปานเดียวนี้ก็ได้บางเทีเกล้าสิ้นลมปานเดียวนี้ก็ได้อย่างนั้นเออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากเป็นตาสักว่ารู้เป็นตาสักว่าเห็นเน อ, อครับพอแล้วแตกฉานเอาไพทีสา ม, มิทาสีทาไมจึงเปลียนอย่างนั้นเพราะบารามีแก่ก้ามาจากชาติก่อนแล้วเหตุ น, นั้นทำใจลวัตรละบาทส่งต่อพระ涅พานหมดมันขึ้นอยู่กับผูกบารามีแก่กล้าหรือไม่เท่านั้น เป็นแต่สว่ารู้เป็นว่าแต่สักว่าเห็นนนัคือยังไงคือไม่ยึดถือผู้รู้ผู้เห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคลไม่สำคัญตัวเป็นผู้รู้ผู้เห็นไม่สำคัญว่าผู้รู้ผู้เห็นเป็นเราทีนี้อัตวาทุกปาทานความเห็นว่าตนตัวเราเขาแต่จะเจงไปเลยแต่ฉันเอาไปที่สัมพทาสีอีกเช่อด้วยนั่งพุทโธคาเดียวก็ ส่งถึงภายนผ่าพุดโธไม่พามาเกิดไม่พามาแก่ไม่พามาเจ็บไม่พามาตายทำโมทรงไหวซึ่งทํามาไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสังโฆปฏิบัติเพื่อไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ดึงใส่กันได้เอเราหายใจเข้าข้างหนึ่งมีทั้งเกิดแก่เจ็บตายมีทั้งพุทธธรรมสงอยู่ ไม่ใช่ว่าเราพิจารณาดินดิ น, ด น, จ, จ, น, น, นจึงจะมีเราพิจารณาน้ําน้ําจึงจะมีเราพิจารณาไฟไฟจึงจะมีเราพิจารณาลมลมจึงจะมีดินน้ําไฟลมมันมีอยู่ก่อนแล้วเราจึงพิจารณาเห็นมรรคผลญาพรรกอันเดียวกันเหตุนะั้นท่านจึงยืนยันว่าลมหายใจเขาออกนี่ดึงกรรมฐานทุกทุกกรรมฐานมาใส่ได้ทั้งนั้นครบแปดหมื่นสีพุทธรรมขันต์ดึงมาได้ทั้งนั้น ควตายก็มีอยู่ทุกเราให้ใจเขาออกใค่ไหมพุทธธรรมโฉงก็มีอยู่ทุกเราให้ใจเขาออกมาใช่ไหมนั่นก็ดึงมาได้เหมือนกันมรรคผลเพปานก็มีอยู่ทุกเราให้ใจเขาออกใช่ไหมนั่นนี่พิธาเวลาข่าวิมุตติสุทธิเนพานก็มีอยู่ทุกเราให้ใจเขาออกใช่ไหมทําแต่ละวระ บ, ระบดส่งต่อพระเนปานหมดสมาชิกทั้งหลายดึงกันมาได้ทําไม่หลงหนึ่งก็ไม่หลงสองเหมือนกันทําไมหลงหนังก็ไม่หลงกระดูกเหมือนกัน ก็ไม่หลงเนือเหมือนกันใช่ไหมถ้าไม่หลงหนึ่งก็ไม่หลงสองใช่ไหมนั่นถ้าไมหลงสังขารสังขารสัพพสังขารย่นลงมาหาเอกสังขารในปัจจุบันสัพพทุกย่นลงาหาเอกทุกในปัจจุบันสัพพะนิจจังรมย่นลงมาหาเอกนิจจังในปัจจุบันสัพพะอนัตตาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนก็ย่นลงมาหาเอกอนัตตาอยู่ในตัวใช่ไหม สัพพะดินย่นลงมาหาเอกะดินในตัวสัพพน้ำย่นลงมาหาเอกะน้ำในตัวคือหนึ่งน้ำหนึ่งดินหนึ่งไฟหนึ่งล ม, น, ม, มนั่นเม็ธินเม่ใจ่อบมหาสมุทรนับได้เหมือนกันนับเป็นฝ่ายสังฆโหสงเคราะห์ลงมานับดูหรูมีกิเลสมากอยู่หลวงปู่มีกิเลสมากหลวงปู่ก็กนับได้ลักษณะอันใดเป็นของชข็งแข็งลักษณะเป็นปฐวีธาต ปัตวีธาตุนั้นที่เป็นภายในคือผมขนเนฝันหนังเนื้อกระดูกยังในกระดูก่ากหัวใจผับพังผืดใตปอดไตใหญ่ไต น, น้อยอารใหม่อารเก่านี้จัดเป็นธาตุดนินดีเทเลน้องเนือเหนือเงือบมันค่อนน้ำตาไปมานำลายนำามกน้ำไขข้อน้ำมุดนี่จัดเป็นธาตุน้ำไฟที่ยังกายให้บ่นไฟที่ยังกายสุดโมไฟที่ยังกางยโควนไวไฟที่เผาอาหารห้อยจัดเป็นธาตุไฟลมพัดขึ้นเบื้องบ น, บนลมหาวลมเลอลมอวกลมัดลมเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมหไปตามตัวลมหใจเข้าลมหายใจออก คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมหลวงปู่นับได้เหมือนกันสัปไตยนับเมตถีเมตใจเนี่ยเท่ามาหาสมุทรหลวงปู่ก็นับได้หลวงปู่ก็มีกิเลสอยู่เท่าแผ่นฟ้าแผ่นดินเอา้านับไม่เห็นเมตใจรูหรูในี่ยเทมาหาสมุทรร้อยโขมาหาสมุทรเอกปทวีธาตุหนึ่งดินเอกอาโปธาตุหนึ่งน้ำเอกเตโยธาตุหนึ่งไฟ เอกวายโยธาตหนึ่งลมถ้าจะไปนับหนึ่งสองสามจนถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านผู้นับก็ผีบ้าผู้เป็นกรรมการก็ผีบ้ากี่วันมันจึงจะจบกันนั่นภาษาเดบุตรนับแ ม, ทแมท่ทีแม่ชายท่องมหาสมุทรก็ต้องนับอย่างนั้นใช่ไหม คนเราจะตายกีลล่านก็าตามเอกะมรณะห น, หนึ่งตายจะเกิดกีลล่านก็าตามหนึ่งเกิดหนึ่งชาติปิทุกขาถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีท่านผู้ใดจะสิ้นความสงสัยสัพพทุกยน่อดมาหาเอกะทุกในปัจจุบันหนึ่งทุกย่อดทุกในรอกมาดูดูสัพพทุกตะพวงหนึ่งทุก ในปัจจุบันพอครับเราายใจเขาออกนั่ง น, นั่ง น, นั่นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ผู้ฟังและผู้พูดใช่ไหมเอาตัวนี้ตัวตัวนี้งงนอนเน่ยเอาตัวนี้ให้ให้ให้ขายงวงนอน <c oughs> ปวดขาหลวงปู่ก็ปวดเหมือนกันวันนี้วันนี้หลวงปู่นั่งแต่บ่ายบ่ายสามสิบจนถึงจนค่ำ พอพีอพนอมามากวันนี้หมูบ้่งหนึ่งไปหมูหนึ่งมาเต็มใตถุนวันนี้นูกปูยอมเสียสละมาลูกปูพอตายแล้วเนี้ยเนี่ย <laughs> ปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารปัญหาไม่มากทำไมจึงไม่มากพระมองเห็นในโลกทั้งปวงไม่มีสุขเลยมีแต่ทุกข์พระบรมศาสตราเทศ ชาติพิทุกขาตูมเดียวถูกทั้งไตโลกธาตุเลยสมมติหยาบหยบยิงนกตัวเดียวยิงนกกระสุนนักเดียวได้มดไตโรคธาตุสมมุติหยาบหยาบชาติพิทุกขาชาติความเกิดเป็นทุก์ตูมเลยถูกวัดธรรมธรรมโลกตลอด ทั้งสัดเสือกสัดคลานไหวในน้าดำในดินบินในอากาศใครจะฟังหรือไม่ฟังมันก็ถูกหมดชาราปิทุกขาเนี่ถูกวัดแล้วเนี่ยตูมเลไม่ลงธรรมะเลยไม่มีเอวังและแม่เทศเอาชะตาใครด้วยชาติปิทุกขาไม่ลงธรรมะก็มีอยู่ทุกทุกท่กทกทานใช่ไหม ชาลาพิทุขาก็มีอยู่ทุกท่นนานวัณนันพิทุขาก็ความตายก็แขวนคออยู่ทุกท่านเนี่ยตูมลงกระถูกวัดเนี่ยถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีใครจะข้ามพ้นความสงสัยของตนไปได้สโสก็ไป้เทวทุกโทมรตุปายาสาพปทุขาความโศกเป็นทุกขตูมลงกระถูกหมดเนี่ยถูกวัดเน่ยความปรารถนาไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกตูมลงก็ถูกวัดเนี่ยไม่ลงธรมรมะเลย ซบสิ่งที่ไม่เป็นรักเป็นที่รักก็เป็นทุกข์อภิยยัสมโยโขดุโคเลี้ยวพัดผ้าก็เป็นทุกข์โหรกเป็นเทวทุกขโทมรัตตุปายาสาเป็นทุกข์ความโศกเป็นทุกข์ภูมิลมกระถูกหมดเนี่ยถูกวัดเน่ะความปัจจานะไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์ภูมิลมก็ถูกวัดเนี่ยไม่ลงธรรมะเลยประซบสิ่งที่ไม่เป็นรักเป็นที่รักก็เป็นทุกข์อติยยัสมโยโขดุโค นลย้ยกพัดผ้าก็เป็นทุกตู้มแล้วก็ถูกหมดคนตาบอดอาจได้เห็นคนหูหนวกอาจได้ยินคนตาบอดมันก็มีเกิดแก่เก็บตายอยู่ใช่ไหมคุณหนูมันก็ถูกใช่ไหมคนหูหนวกมันก็มีเกิดแก่เก็บตายอยู่คนหลังโกงก็มีเกิดแก่เก็บตายอยู่หน้าตาก็เปิดออกทั่วทั้งใจรูกระท่น ถูกทโททางใจโลกธาตเทวานังอวตาเทวดาทาั้งหลายสัดทางอวตาเสียงสุตตะวาก็ถูกขึ้นไปเป็นลำดับ ตาตูมหาราชกาตาิิงสายามาุสิตนิมานวรติปริเมตวะสวัตตพรมัทพสัาพรบรโหิตามหาพรมาปฏิตาภาอัปปมานาภาอาภัสาปฏิตาสุภาอัปปมานาสุภาสุภกินทกอสัญญสตาเวหัะปราอวิหาอัตปาสุตัสสาสุตัสีอกนิทกะถูกไปจนถึงชั้นพระอนาคานีชาติเป็นทุกขะอันเดียวนั่นน่นนั่นนนนี้ม เข้าใจความหมายนะตัวนี้เนี่เข้าใจความหมายดีแล้วเนี่ยมัททากุลธีมัททากุลธีในส ก, กุลละก้างกายมีแต่ของเปลือยเน่าในลำไส้เราไม่ได้แต่งคนน้อยเข้าไปล่างสักทีเลย มีแต่ของเป่วยเน้าี่กระตูถูกือนกันใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ครับของกระผมหอมเหมือนไฮเป๊กใครเพิ่งคาดได้ถูกไหมนั่นนั่นผู้พิจารณาบ่อ ย, อยเห็นภัยบ่อ ย, อยผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ผนพูดที่บารมีแก่กล้ามาแล้วหาเราดูดูนะทีนี่ยังไม่เอกทีนี่พญามากะถือว่าพาระอรหันต์ตายแล้วศูญไปถูกนักเรงดีไปถูกระสารีบุร เครไปแก้ท่านก็ไม่ยอมเลยพญมะกะพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์ท่านเห็นว่าขันห้าเป็นพระอรหันต์หรือไม่อย่างนั้นพระเจ้าข้าท่านเห็นขันขันอื่นว่าเป็นพระอรหันต์หรือไม่อย่างนั้นพระเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นท่านจงหาพระอรหันต์ในขันห้าดูดูพระอัสสัยบุตรบอกพญมะกะท่านก็หาใช่ไหมขานี่ยหาขาเนี่ยเข้าอรหันต์ในขันห้า หาพระนั่งหันในรูปเธอเนี่ยในรูปขันเีน อ, อเนี่ยพขนและฟันหนังเลือดกระดูกเยอะเนกระดูกมาพอใจตาฟางปืดใจปลอดใส่ใหญ่ใส่ร้อยอาหารหน่อยอาหารเก่านี่ก็เห็นแต่ธาตุดินธาตุดินไม่ใช่พระ น, น, นั่หันอยานี่เห็นแต่ธาตุดินหาพระนั่งหันในธาตุน้ําธอเนี่ยดิเสเดีน้องเลือดเงยมันคนน้าตาเปลียมานน้ำลายน้ำหมกน้ำไขข้อน้ำมูดก็เป็นแต่สกากธาตุน้ําช้เนี่ย หาพรังงานในธาตุไฟไฟที่อกายให้อบอุ่นไฟที่กายสุดชมไฟที่กายให้กวตกวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยก็ไม่เห็นซ่านกับเม็ดจัดินน้ําไฟหาพระงงานในธาตุลมลมพัดขึ้นเบืงบนลมหาวลมเลอลมอ้วกลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมให้ใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นแต่สักว่าลมไม่เห็นหาพระงหันในธาตุดินไม่เห็นธาตุน้ำก็ไม่เห็นธาตุไฟก็ไม่เห็นธาตุลมก็ไม่เห็นหาพลังงานในน้ำรูปที่นี่ในน้ำ อันนี้เป็นรูปประคันหามาเห็นหาแนวนามขันทีนี่เวทนาสุขทุกข์วุเบกขามาเห็นเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแแทบสลายไปเหมือนกันดินน้ําไฟลมก็เหมือนกันเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแแกสลายไปเหมือนกันหาพระหันในสัญญาในความจําจํารูปจําเสียงจำสินจํารสจำผลพระจําธรรมารมณไม่เห็นเสียแล้วเป็นแต่กว่าความจําจําแล้วก็ร่วงไปร่วงไปอืเกิดดับเป็น หาพระอรหันต์ในสังขารปรุงแต่งแห่งจิตให้ดีให้ชั่วก็ไม่เจอไม่เจ อ, ไ ม, เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นหาพระอรหันต์ในเวิญญาณจ้กขุเวิญญาณวิญญาณทางดวงตาโสตะวิยญาณวิญญาณทางหูคาระวิยญาณวิยญาณทางลิ้นกายะวิญญาณวิยญาณทางกายมโนวิญญาณวิยญาณทางใจก็ไม่เห็นเป็นจัตวาเวิญญาณเธอเห็นไหมเห็นหาพระอรหันต์ในกองรามรูปในขาน่าไม่เห็นพระเจ้าข้าถ้าไม่เห็นจ ท่านจะยืนยันว่าพระอรหันตายแล้วศูนย์มันจะมันจะถูกไหมเออแต่ก่อนกับผมยังไม่รู้รู้แล้วเดี๋ยวนียทีนี้ถ้าม้ผู้ถามท่านว่าพระอรหันตตายแล้วไปอยู่ไหนท่านจะตอบเขายังไง ร, รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เที่ยงนั้นดับไปแล้วเออดีละดีละดีลั่ะนั่ น, นั่นผู้นนจะตายคาภาวนา เห็นแสงสว่างก็ไปเกิดพรหมโลกไม่ได้พ้นทุกเน้อผู้ตายคาภาวนาเห็นดวงแก้วอยู่ที่นี่ก็ไม่ยังไม่พ้นทุกเน้อยังไปเกิดในพรหมโลกเน้อผู้ตายคาเป็นอสักปารุว์อสักปารุว์เห็นไม่เย็บถือสิ่งใดๆในโลกเลยอันนั้นจึงจะเข้าสู่พระิานถ้าอย่างนั้นก็ศูนย์สิไม่สําคัญตัวอยู่ในศูนย์ไม่สําคัญตัวอยู่ในที่ไม่ศูนย์ไม่สําคันธ์ตัวในที่ใดๆเลยเออ เมื่อไม่สาคัญตัวในที่ใดๆเลยก็ไม่ต้องทําท่าทําทางว่างมันว่างอยู่ในตัวแล้วมันว่างเองเมันงั้นเราหลับตายอย่างนี้เราลืมขึ้นไม่ต้องทําท่าทําทางอะไรมืดหนีมันหนีแล้วใช่ไหมข้าพเจ้าจะลืมตาทัานเป็นผู้มืดหนีซะไม่ได้บอกฉันใดก่อี เมื่อความสละฉลาดเหนือความหลงของตนแล้วความหลงของตนก็ตั้งอยู่ไม่ได้ไปเลยไม่ได้สั่งไม่ได้ลานี่ทําชั้นสูงบางทีท่านจะบางท่านก็จะไม่ถึงใจแล้วก็พูดทาชั้นสูงอีกด้วยเอ้าพระทหารรักษาจิตหรือไหาพระทหารไม่รักษาจิต ถ้าจิตของท่านไม่เมตโธจะรักษาทำไมแต่พวกเราผู้ไม่พ้นไม่รักษามันก็ผิดจริงจริงใช่ไหมนั่นแล้วถ้าพระหั์รักษาจิตพระหันก็เป็นทุกข์เหมือนกบคนคุมนักโทษพระคุมจิตอยู่คนคุมนักโทษเป็นทุกข์ไหมก็เป็นทุกข์พระเกรงว่านักโทษจะลักหนีเกรงว่านักโทษจะทำอันตรายแก่ตนด้วย พระทหัรไม่ได้ไม่ได้รักษาจิตทํานผู้พนไปแล้วถ้าจิตของท่านไม่มีโทษท่าจะรักษาทําไมเหตุนั้นท่านจึงบัญญัติว่ารูปจิตเจตสิกนิพพานนิพพานไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่พระนิพานรูปจิตเจตสิกนิพพานนิพพานต่างหากจิตต่างหากจิตถ้าทําถูกก็เป็นหนทางเข้าสู่พระนิพานถ้าทําผิดก็ ไปลงสูนรกเป็นลําดับไปแต่สงครามเถียงกันก็มีเรื่องอัตาอตาอนัตตาเถียงกันอยู่สงครามแ ต, แต่ลกปู่คนพี่บ้าไม่เถียงกับใครหรอกเรรู้ชัดแล้วเรื่องอัตตาอนัตตาอัตตาแปลว่าตัวตนอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตน อันหนึ่งตื้นอันหนึ่งลึกอัตตาเป็นสมมุติที่ตื้นอนาตาเป็นปรมัตที่ลึกซึ้งใครเป็นเจ้าของอัตตาอัตหิอั ต, อตโรนราโถตนเป็นเจ้าของตนก็คือใจเป็นเจ้าของใจก็คือธรรมเป็นเจ้าของธรรม ใครเป็นผู้เสวยพระเนพานก็พระเนพา์เท่านั้นเสวยพระเนพานไม่เป็นหน้าที่ของสังขารจะไปก้าวไกลใครสยใครเป็นผู้เสวยสังขารจะกองทุกก็สังขารจะกองทุกเท่ทานั้นเสวยไม่เป็นหน้าที่ของพระเนพานจะวกคืนมาเสวยใช่ไหมพระเนพานมีอยู่ในโรกไหมที่ท่านบัญญัติว่าพระเนพาล มีอยู่ในโลกมีพระอรหันเกิดในโลกเท่านั้นองค์เท่านี้องค์ท่านพูดเป็นบุคลาทิฏฐานเฉยๆเพื่อให้รู้จักความหมายไอ้ที่แท้พระอรหันผีบ้าอะไรจะมาอยู่ในโลกมันทุกข์จะตายพระโลกกับสังขานก็อันเดียวกัน สังขารก็ดีโลกก็ดีชั้นโลกโลกคือหมูสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่กามาพัชระหกชั้นพระมโรคได้จากรูปประภมที่หกชั้นและอรูปพระภม4ี่ชั้นโลกทั้งหลายรวมลงมาเป็นสังขาโรโลกสังขารย่นเป็นสอง ส, สังขาร um> ที่มีใจครองและไม่มีใจครองสังขารที่มีใจครองเรียกว่าอุปาทินกาศสังขาร and, สังขารที่ไม่ใจมีใจครองเรียกอนุปาทินกาสังขารสังขารทั้งสองนี้เกิดขึ้นแล้วประดับไปสังขารใดเกิดขึ้นในอดีตสังขารนั้นจะดับในอดีตสังขารใดจะเกิดขึ้นในอนาคตสังขารนั้นจะดับในอนาคตสังขารใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขารนั้นจะดับในปัจจุบันคำพูดใดที่พูดก่อนคำพูดนั้น จะล่วงไปแล้วดับไปแล้วพูดไปอีกก็ดับไปซึ่งหน้าเรียกว่าจีสังขารเรียกว่าจิตตสังขารพูดมาใกล้ๆเยนั่นนั่นน่นน่ไฟมันเกิดดับเร็วนักมันจนเป็นพืชติดกันนักนั่ น, น, นเป็นรอบเก่าของมันไม่ใช่รอบใหม่รอบที่เกิดดับของมันนั่นเองคำพูดนี่ก็เหมือนกันเขาเป็นรอบเก่าไม่ใช่รอบใหม่นึกคิดก็เหมือนกันนึกแล้วก็ล่วงไปนึกแล้วก็ล่วงไป พวกเราไปกรรมเอาอันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูพวกเราก็กรรมเอาแดดไกรรมอารมกรรมแดดออกอ า, อ า, กามมันก็ไม่ได้ชีวิตของกูนีไ่ได้อายุเท่านั้นอายได้อายุเท่านี้นที่เอาอายุไปใส่ชฉลมไปขายที่ไหนมันร่วงไปใช่ไหมสวัสดีปีใหม่แต่ใกล้จะตายกว่าพีใหม่นี่ใช่ไหม พิจะดณาให้ถึงแก่นธรรมคำสอนเนี่ยมีนิดเดียวไม่ได้มีมากที่มีมากก็เพราะเทศคนนั้นอยู่ที่นั้นคนนี้อยู่ที่นี้ก็เอามารวมกันไว้ 45, สี่พัน้าพาก็เรียกว่าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ไอจีแ ท, เทก็มีคำเดียวเท่านั้นปัญญาขันไม่ใช่ตัวตนเท่านั้น ปัญจะขันไม่ใช่ตัวตนไม่รู้ปัญญะขันว่าใช่ตัวตนถ้าปัญจะขันเป็นตัวตนแล้วปัญจะขันก็ไม่เปลี่ยนไปเพื่ออาพาธเพราะไม่เข้าใจก็อธิบายให้ฟังถ้าเข้าใจแล้วก็ทําก็มีบทเดียวเท่านั้นไม่มีมากเป็นเอกนิบาตนะถ้าไม่หลงจิตก็ไม่หลงธรรมถ้าไม่หลงธรรมก็ไม่หลงจิตหลงจิตถ้าหลงจิตตอนไหนก็หลงธรรมตอนนั้นถ้ายึดมั่นถือมันในจิตก็ถือมั่นในธรรมเหมือนกันนั่นนั่น จิตเป็นแต่ักว่าจิตผู้รู้เป็นแต่สักว่าผู้รู้แล้วก็ข้ามทะเลลงไปแล้วเอา้าดินน้ำไฟลมมันไม่ยึดถือจิตไปขี้แต่มันมันก็ไม่ว่านละอันนี้เขามาเหยียบขามึงไม่รู้จักกูหรื อ, อถูกไหมก็เพราะกิเลสภาวะใช่ไหมอั้ สวั ส, <ข>สดีนดีพอนดีนะพอแล้วหรือยังเหนื่อยไหมใช่เอา้าใครสงสัยอะไรก็ถามเคยมาดูดูอืเทียบคนเดียวบ้าคนเดียวอยู่มันก็ไม่ถูกท่านผู้อะไรจะพูดะอะไรก็พูดมาซะพูดให้ถูกใจคนหมู่มากมันพูดลําบากไม่ไม่รู้ว่าจะใครต้องการอะไรมันไม่ไม่เข้าใจท่านผูดอะไรจะปรัรัอะไรก็ปรับรับซะ เราไม่มีของเราไม่มีผู้อื่นไม่มีของผู้อื่นไม่มีมีแต่สังขารและกองทุก์มีแต่ทำายเกิดฝายดับกำไดใครก่อก็จิตใจนผู้ก่อขึ้นใช่ไหมใจเป็นของมีปัญหามากถ้าไม่มีใจปัญหาก็ไม่มากใช่ไหมคนตายไม่เห็นปัญหามากเขาไปข้ามหัวมันมันก็ไม่ว่าอะไร แต่ <laughs> คนเป็นนี่มันปัญหามากใช่ไหมเขาไปข้ามหัวเมื่อมึงไม่รู้จะ ก, กูหรือโป้งเลยใช่ไหม <laughs> ตายแล้วเขาไปขี้ใส่ก็ไม่ว่าอะไรเพราะวิญญาณม่อยู่ในที่นั่นใช่ไหมนั่นนั่นเหตุฉะนั้นอัตตาทุปาทานความยึดมั่นว่าเราว่าเขาว่าสัตว์ระบุคคลมันจึงเป็นจอมพลของกิเลสทั้งหลาย ถ้าชนะอัตวาทุปาทานแล้วความเห็นว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขาไม่มีโดยจริงจริงจังๆแล้วเป็นแต่สักวารูเป็นแต่สักว่เห็นแล้ ว, วทีนี้กิเลต ก, ก็แตกกระจิงไปกาโอคะโอค ะ, ะคือกามพระโอคะโอคะคือพบทิฏโฉคะโอคะคือทิฏฐิอวิชโชคะโอคะคืออวิชชาความโง่ก็แตกกระจิงไปเลยไม่ต้องเรียงแบบก็ได้ถ้าที่พระบรมศาสดาเรียงแบบ ก็เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจชัดและเพื่อให้สมภูมิด้วยสมมติว่าลูกโซ่ที่เกี่ยวข้องกับเป็นสายอยู่นี่ข้อคอเราอยู่เราตัดปลอกไหนขาดมันก็ขาดไปหมดไม่จาเป็นจะเอามาทุบทุกปลอกใช่ไหมนะนะที่เรียงแบบว่าอาวิชชาความโง่ดับสังขารก็ดับสังขารดับเวรงานปฏิสนที่ก็ดับนามรูกก็ดับอายตนะตาหูจมูเรียนกายก พัฏฐะเจ้าคุสัมผัสโธตสส า, าสัมผัสคาราสัมผัสเิวหาสัมผัสก็ดับไปที่ท่านทําอย่างนั้นเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจชัดไอ้จะแท่ตัดที่ไหนขาดก็ขาดหมดนักทำเราได้เพื่อบํารุงกิเลสดับบํารุงราคะให้กําจัดให้หนักขึ้นบํารุงโทสะให้หนักขึ้น บำรงโมหะให้หนักขึ้นอันนั้นไม่ใช่ทมคําสอนของพระพุทธศาสนาทำเหล่าใดที่ห้ามเบรกราคะที่ห้ามเบรกโทสะที่ห้ามเบรกโมหะลงอันนั้นเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายโคจะมีสูตระจะแตกแขนอฏณาธรรมซับเพียงไรก็ตา้ถ้าเกลียดไม่น้อยลงก็ไม่มีปัญหาก็ไม่มีความหมายเอ้า พวกชาวโลกที่ตั้งกฎหมายกฎหมู่กฎพักกฎพวกขึ้นชาวโลกมีมากขนาดไหนทุกวันนี้ก็ไม่ตำกว่าห้าหมื่นล้านคนห้าหมื่นล้านนั้นมีสินห้าพอร้อยคนไหมนี่นี่สำคัญมากะ พูดน้อยเม่พออธิบายพูดหลายกระเทือนโลกถูกไหมก็กระเทือนเรานั่นเองทําไมเราจึงอาบน้ำเพราะร่างกายมันจกปกปฏิเสธไม่ได้ทําไมเราจึงปฏิบัติศีลธรรมเพราะจิตใจมันมีกิเลสจริ ง, รงใช่ไหมนั่นทำไมเราจึงปฏิบัติเพื่อพันญภา ก็เพราะเกิดแก่เก็บตายมันเป็นทุกข์จริงๆปฏิเสธไม่ได้อยากให้พ้นไปจากเกิดแก่เก็บตายซักเอ้าที่ใหม่ของเรามีไหมอยู่ที่นี่ไม่มีที่ใหม่มีที่เก่าของเราที่เคยเกิดแก่เก็บตายมาแล้วนั่นเองพระอรรถศาสนาเทศให้เกิดทําสังเวชว่าพวกทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าไปถือเป็นของเก่าเนอเป็นอย่าไปถือเป็นของใหม่เป็นของเก่าเท่าพวกเธอทั้งหลายที่เคยท่องเทีย่ยวมานั่นเองอืม ในกลับหนึ่งมีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์บ้าสี่พระองค์บ้าในกลับหนึ่งกลับหนึ่งพวกเธอจะเก็บกระดูกไว้ชาตระหัวเท่าหัวแม่มือนี่ชั่วกลับหนึ่งมาให้อันตราฐานไปก็ใหญ่กว่าภูเขาหิมาลายแต่ละคนแต่ละคนเอาน้ําตาของพวกเปล่าทั้งหลายที่ท่องเที่ยวมาในวัดตาสองสารนี้่ในชั่วกลับหนึ่งกลับหนึ่งเก็บไว้กะ ชาติระหยอดไม่ให้อันตรายทานไปก็มากกว่าสีมหาสมุทรนานๆจึงจะร่องให้ใช่ไหมนานๆจึงจะออกน้าตาจะไม่ชาติระยอดเท่านั้นนะไม่ให้หายไปก็สีมหาสมุทรนั่นคนหนึ่งคนหนึ่งเหตุนั้นเธอทั้งหลายจงเบื่อหน่ายจงละอาจงสังเวชพวกเราทั้งหลายที่เคยท่องเที่ยวมาในวัดตาสงสารซะขอบรมคุาสาัา สังเวชตนเองที่เคยเป็นหนี้ความหลงของตนหลงมาในวัตาสงสารสะ<ม>จงอบรมความฉลาดให้เหนือความหลงสัก<ม><ม>เธอทั้งหลายผู้ยังไม่พ้นทุกในวัตาสงสารไม่มียาน่าพ้นทุกเหมือนพระรหัน์เธอทั้งหลายอย่าไปนอนใจนะเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังทาคำสอนขั้นสูง ไฟกําลังไม้ศีรษะของพวกเธอทั้งหลายอยู่พรุ่งนี้พวกเธอจึงจะดับมันจะถูกไหมล่ะพระบรมชาติลาเดี๋ยวจะเสียใจในไฟลังเรีบด่วนนะด่วนดับกิเลส ด, ดีกว่าด่วนเพิ่มกิเลสจงเป็นผู้ใจถึงในทางทําดีอย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทําชั่วเลยจงเป็นผู้มีอิสระในทางทําดีย่าเป็นผู้มีอิสระในทางทําชั่วเลยพระบรมชาติลา อย่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทำดีอย่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทำชั่วเลยพูดสูงขึ้นไปหาต่ำพูดต่ำขึ้นไปหาสูงวนไปวนมาอย่างนี้ให้ใครถามก็ไม่ถามพอให้พรแล้วหรือยังเอ่อพอให้พอแล้วหรื อ, อยังแล้วกระเทศไม่มีเอวงังและไม่มีบาดีไม่มีนโมเสียด้วยนะโมคืออะไร คือนโมกายนโมวายายนโมใจนอบนอบกายวายายใจกระทู้คืออะไรกระทู้กายกระทู้วายกายกระทู้ใจพระพูดเรื่องกายเรื่องวาจาเรื่องใจ้ายดรงมาก็พูดเรื่องใจอันเดียวความตายก็ไม่ลงธรร ม, มาใช่ไหมอะไรก็ไม่ลงธรร ม, มาใช่ไหมนั่ง น, นั่งทีนี่ให้พรใช่ไนหะ ถ้าอย่างน่ะมันไม่จบกันวนไปวนมาอยู่นี่ชั่วโมงหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะวัน ม, มาก่อนนะเขาห้ามมาให้ลูปู่พูดมากโรคหัวใจตีบลูกปู่ก็ลืมตัวไปาาาาาววหุนั <c oughs> <c oughs> เอวเมเวายตัว่นางปยตานังอุปการฏิิิตังกุติตังตุมฮันิกววเมยวัชมิตาตุสเพย์ปูเรนตุสังคปากันโทพนารโสยธามณิโชตีเรโสยธาสพิตโยยวัชนะสัพะทุโกสัพพโยชสุพโลวินัสสะตุมาเตพวัตตวันตรายโยสุขีตีคาโยโกพระอภิวาทานเสีิสะนิจังุฒาปชายโนจตารูธรามวัันติอายุวโนสุขังภาลังให้พรแบบมงคลจักรวาลใหญ่เน้อ คอบโลกเลยฟิลิธิติปติเตโชสิยาสิติมเหิติมหาคุณาปริมิตตาปุญญาติการัสสะสัพันธาระเนวารณะ สมรัสากขากรวตตสัมมาสัมพุทธัสสทวดติณสาวาโพิสละกาโนภาเวนะอสีสยานุภยัญชนะนภาเวนะอจุตระสตมังครานุภาเวนะชันลังสยาโนภาเวนะเกตุบารานุภาเวนะทัตตาปารมิตานุภาเวนะทัตอุปปารมิตานุภาเวนะทัตตาปรมัตถาารมิตานุภาเวนะสีนสมาธิปัญญาโนภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระรานุภาเวนะยยยะธรรม โนภาเวนะจตุราสีติสหัธรรมะขันธานุภาเวนะนวโรกุตรธรรมานุภาเวนะอัถังคิกะมัคคานุภาเวนะอัตสมาคมติยานุภาเวนะชาลพญญาณุภาเวนะจะตุสัจจะยานุภาเวนะจะสาปรายานุภาเวนะสัพพัญญตยานานุภาเวนะเมตตากรุณาโมติตาเปยขานุภาเวนะสัพพาริตานุภาเวนะรัตนะตยัสรนานุภาเวนะดุยหังสัพโรคะโสกุปัตวะทุกโธมณตุภายา ผีเวนัสสันตุสัพันตรายาผิเวนัสสันตุสัพพะสังกปาตุยหังสมิธันตุทีคายุตาตุยหังโหนตุสตาวัตส์ชีเวนัสมังคุกชิโกโหตุสัพทาอากาสัพพภัตะ วะะภูมิคังคามหาสมุทธาอารคกาเทวตาชะาตุมให้อนักคันตูผวตุทัพประมาณคลางนักขันตูทรัพเทวตาสพพุทธาโนภาเวนะชทาโสติผวันตุเตผวาตุทัพประมาณคลางนักขันตูทรัพเทวตาสพพะธรรมานุภาเวนะชะาโสติผวันตุเตผวาตูทรัพประมาณกลางคัันทเทวตาสัพพะสร้างคานุภาเวนะชะตาโสติผวันตุเตอยู่ทุกเมื่อเทือ ด้วยเดชคุณพระพุทธศาสนา อันชอบเพราคนณ่าไม่มีประมาณและก็ชอบมีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อและก็เหนือโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกกา ร, ท, กการทุกเวลาทุกขณะด้วยเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่เป ม, มาในที่นี้ก็ดีทั่ว้งๆไตรโลกาเฉพาะสบแต่ความสุขความเจริญในมรรคพุทธศาสนาของพระสมานพระพุทธเจ้ายิ่ ง, ย, งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยด่วนโดยไม่เหลือในปัจจุบันนักเกติปัจจุบันธรรมอยู่ทุกเมื่อเธอ ที่นี่จะทำอะไรก็ทำซะที่นี่ข้าวที่อยู่ด้วยกันส่าอาจารย์มหาก็ผมไปเชื่อท่อาพามแตกกินมากก็จนท่อาาพามแตกตูมๆ ต, ตาต า, ม, ตา ม, มันไม่ใช่ครับมันก็มีแต่อาเกียนกับอุจจระเท่านั้นที่ลบปู่มหากระโดดเราที เออคนชีๆมากมันก็ไม่เชื่อสิในโลกมันก็มีทุกอย่างเพราะผลของกรรมของสัตว์ท่านพูดอย่างนั้นทีนี้เราก็ไม่เชื่ออีกที่อยู่อุดรสมัยเรายังไม่ทันบวชเขาบอกว่าเพื่อนๆนเธอจะไปดูคนปากช่างไหมยาวสอกหน่อยนะเออมึงอย่ามาต้มกูไปดูไปดูเพื่อนเราจะพาไปอยู่ที่กรมทหาร พาไปปากของมันยาวหนึ่งศอกถ้ามึงต้องการเห็นปากของมันมึงซื้อยาไปให้มันสูบนะบุหรี่แล้วมึงอย่าไปมองดูมันมั น, ม, นมันชอบบุรีสูบบุหรีปากของมันขดอยู่แล้วเราก็เอาโอบายเอายาไปซองหนึ่งจุดบุรี่ให้มันจุดบุรีมันสูบไม่ก็สูบใส่ปากของมันแต่เรา ก็ต้องมองอย่างอย่างไมอย่า ง, างไม่ถึงตาดูโอ้อย่างแค่นี้เหมือนกันเราก็นึกในใจว่าเออแต่ก่อนคงจะเป็นควันช่างหมอนี่คงเทียบทำลายช่างหมมันมีจริงวายาไ อ, อคนติดกันออกมาจา ก, ก อ, อ่ะในท่อมันก็ต้องมีเพราะเหตุไดก็เพราะกรรมและผลของกรรมมันต่างกันที่สร้างไว้อ่ะ